ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจคำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราทำความสงบใจอากาศก็สดชื่นหัวลุง พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสรู้ในเวลาหัวรุ่งนี้เองดังนั้นเราผู้เป็นบริษัทของพระองค์ก็จึงต้องปฏิบัติตามรอยบาทของพระศาสดาเมื่อเช่นนั้นเราก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปไม่ได้ ท่านผู้เป็นสาธดาเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อหวังจะให้ได้มาซึ่งทางพ้นทุกข์พระองค์ก็ได้รู้ทางพ้นทุกข์แล้วก็ดำเนินไปทางนั้นก็พ้นทุกข์ได้จริงๆ การที่ไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินอันนี้นะก็เป็นทางคนทุกข์อันสำคัญนะ่ะให้เข้าใจทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าบุคคลผู้ที่เห็นแก่กินแก่นอน แล้วย่อมไม่มีเวลาที่จะได้ทำความเพียรทางจิตใจเพราะมัวแต่นอนหลับไหลอ ย, อยู่เช่นนี้นะจะเอาเวลาไหนมาทำความเพียรตอนจวนสว่างนี่นะเาเป็นโอกาสอันดีทุกสิ่งทุกอย่างส ง, งบ อากาศก็ไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัดพอดีอุณหภูมิภายนอกก็ปกติอย่างแต่อุณหภูมิภายในจิตใจของคนเรานี่มันไม่ปกติเหมือนอย่างอุณหภูมิภายนอกอย่างนั้นจงพากาันทำอุณหภูมิภายในคือใจนี้ให้สงบ ลงไปไม่ให้มันร้อนมากไม่ให้มันเย็นมากไม่ให้มันกระโุนกรวายให้มันพอดีพอดีเรียกว่ามีความรู้อยู่เป็นกลางกลางไม่ไปยึดเอารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภา ย, ภายนอกมาเป็นอารมณ์ เยามทำความรู้สึกอันนี้ให้เป็นหนึ่งอย่าให้เป็นสองเป็นสามไปที่ว่าเป็นสองเป็นานันคือมันมีสัญญาอารมณ์ภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องมาวิทกวิจาร์รูปนั้นสวยงามรูปนี้ขี้ร้าย เสียงนั่นไพเราะเสียงนี้ไม่ไพเราะอะไรหมู่นี้นะกลิ่นนั่นหอมกลิ่นนี้ไม่หอมอ่ารสนั่นอร่อยรสนี้ไม่อร่อยสัมผัสนั่นหยาบสัมผัสนี่ละเอียดนุ่มนิ่มดีเนี่ยจิตมายึดเอาอารมณ์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เข้ามาวิตกวิจาร์อยู่ในใจนี่ได้ชื่อว่าใจไม่เป็นปกติมันแล่นไปตามอำนาจของความอยากของกิจใจในใจของมนุษย์เราเนี่มันก็อยากอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัส อันเป็นที่หน้าพออกพอใจต่างๆนี้เองนะอลองสังเกตดูให้ดีมันไม่มีที่จะไปปรารบถึงเรื่องอื่นนะจิตใจเนี่ยเหตุดังนั้นนะ่ะมันถึงหนีจากโรคอันนี้ไปไม่ไดนะ้คนมันถึงเกิดในโลกนี้มากมายเอาเลอะเกินนะ ทั้งนี้ก็พระจิตใจมันผูกพันอยู่ตลอดเวลานั่นเองจวนจะตายได้ก็ยังปงไม่ตกวางไม่ลงก็นวลเนียวเอารูปเป็นต้นเหล่านี้มาเป็นอารมณ์อยู่นั่นเมื่อตายไปจิตวิญญาณก็วกเวียนมาเกิดขึ้นมาอีกอเกิดขึ้นมาแล้วกลมาหลงมาเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัส ต่างๆวันนี้ตะว่านี่พูดถึงว่าคนหลงคนเมาแบบที่ว่าไม่ทำบาปทำกรรมเท่าไหร่นะมันถึงได้เกิดมาอีกแต่พวกที่หลงที่เมาแล้วไปทำบาปกรรมไม่รู้ตัวไม่กลัวบาปตามสนองให้เป็นทุกข์ พวกนั้นนะ่ไม่ไม่ไม่ได้เกิดมาเป็นคนง่ายๆหรอกต้องไปเสวยผลแห่งกรรมวิบากที่ตนทำตั้งแต่เป็นมนุษย์นี้นานแสนนานอ่าพูดถึงความหลงความเมามันเป็นขั้นตอนอย่างนี้แหละดังนั้นบุคคลจะระ ง, งับความหลงความเมาเหล่านี้ได้ ก็ด้วยอาศัยภาวนาสมาธิเพราะว่าเมื่อบุคคลดยังสติความระลึกเข้าไปหาความรู้สึกอันนี้สติไปประคองความรู้สึกอันนี้ไว้ไม่ให้มันไปยึดอารมณ์ภายนอกมาเป็นเครื่องอยู่ เช่นนี้แล้วพูดนั้นแหละก็จะทำจิตให้เป็นปกติได้จิตนี้ถ้าปราศจากสติแล้วไม่ได้เลื้องเลยมันแปรปวนไปทั่วเลยแปรปวนไปด้วยความรักด้วยความชังด้วยความหลงเห็นผิดเป็นชอบต่างๆนาน า, นามันแปลไปอย่างนั้นแหละเมื่อมัน ขาดสติสัมปชัญญะแล้วนะดังนั้นในสติปัฏฐานสี่นะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกฝึกสติสัมปชัญญะนี้ให้ประจำอยู่กับร่างกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรมารมม์ซึ่งเกิดขึ้นกับจิตใจนี่ ให้พยายามะระลึกถึงร่างกายนี้ให้มากมเพราะว่าจิตใจมันก็นมาหลงยึดอยู่ร่างกายนี่แหละว่าเป็นตัวตนของตนว่าเป็นของสวยงามจิตมันจึงคล้องอยู่ในโลกนี้มันจึงไปคล้องสิ่งภายนอกถ้ามันไม่คล้องอยู่ร่างกายอันเป็นส่วนภายในนี่แล้ว มันก็ไม่คล่องอยู่ในสิ่งภายนอกเช่นเดียวกันข้อนี้มันอยู่ในดุญยพินิษความสังเกตของผู้ปฏิบัติก็จะรู้ได้เลยถ้าไม่สังเกตไม่ภาวนาโน้มจิตลงสู่ความสงบแล้วมันรู้ไม่ได้เรื่องมันนะแล้วมันมันก็ไม่ยอมปล่อยยอมวาง เมื่อมันไม่รู้แล้วมันก็ไม่วางเป็นอยงงั้นเพราะฉะนั้นนะอย่าพากันประมาทยืนเดินนั่งนอนที่ได้มีสติสัมปชัญญะ่าได้ปราศจากร่างกายในกำหนดกายเป็นอารมณ์ว่ากายนี่ก็สักว่าแต่กายไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตน ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งมีบุญกรรมบาปกรรมเป็นเครื่องตกแต่งเท่านั้นบุญกรรมบาปกรรมตกแต่งให้มาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเพราะบุญกรรมบาปกรรมที่ตกแต่งร่างกายนี้มันก็ไม่ยั่งยืนมันมีขอบเขต เมื่อมันตกแต่งมันรักษามันบำรุงไปหมดเขตของบุญและบาปนั้นแล้วมันก็เมื่อบุญบาปนี่ดับลงไปร่างกายนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายลงอันนี้สทีพระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้พิจารณาให้เห็นเหตุเห็นปัจจัย ตกแต่งรูปกายอันนี้ตามความเป็นจริงจิตใจมันจึงจะคลายมันจึงจะปล่อยวางความยึดถือลงได้เมื่อมันรู้ชัดว่ามันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นของของตนเลยถ้าเป็นของตนมันก็บังคับได้สิไม่ ใคริ่งไปฝ่าถนาให้มันแตกดับเมื่อได้มาแล้วมีแต่ป่าถนาอยากให้รูปกายนี่อยู่ยั่งยืนนานไปไม่อยากให้โรคภัยเบียดเบียนไม่อยากให้ชารุดชุดโทรมไปแตกดับไปอันนี้เป็นความประสงค์ของจิตใจทุกรูปทุกนาอืมแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวัง นี่ต้องมีอุบายสอนใจอย่างนี้เสมอสมอไปใจมันถึงจะคลายความยึดถือในร่างกายนี้ลงได้ไใน่ี่นั้นะมันยอมไม่ยอมขายเลยถ้าไปได้รูปที่ไม่สวยไม่งามมันก็เกลียดหรือว่าไปเห็นรูปที่ไม่สวยไม่งามน่ยมันก็เกลียด ถ้าไปเห็นโลกที่สวยที่งามเข้าก็รักมันก็ผูกพันอืเป็นอย่างนี้แหละจิตใจที่มันค้องอยู่ในโลกนี้นะ่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะ่ะแต่บางคนนะ่ะมันก็ไม่สนใจอยากจะปล่อยจะวางมันก็ยินดีอยู่ในรูปกายอันนี้หละ เขาไม่มีปัญญามองไม่เห็นว่าไม่ทราบจะไปอาศัยอะไรถ้าไม่อาศัยร่างกายนี้แล้วมองไม่เห็นเลยดังนั้นมันจึงผูกพันอยู่กับร่างกายนี้ถึงมันจะแตกมันจะดับไปเมื่อจิตใจมันผูกพันอยู่กับร่างกายนี้เมื่อร่างเก่าเก่านี้มันแตกทำลายลงกรรมที่จิตใจผูกพัน มานั่นมาก่อนนำดวงกิดนี้ไปเกิดอาศัยรูปใหม่ต่อไปอีกเมื่อได้รูปใหม่มาแล้วมันก็มาเกาะมาคล้องมายินดีอยู่ในรูปใหม่นั่นอีกอยู่อย่างนี้แหละจิตใจที่ไม่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ภาวนาให้สงบระ ง, งับลงไปปัญญาไม่เกิด ถึงแม้จะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ยังยืนแต่เมื่อปัญญาไม่เกิดแล้วมันก็ยังหลงรักหลงไข่หลงกำหนัดกินดีอยู่ในรูปนี่เรื่อยไปนั่นแหละถึงจะรู้ว่ารูปนี่ไม่เที่ยงกว่าช่างนะไอ้เมื่อเวลามันยังไม่สัตสุดโทมลงนี่น่ะมันเปล่งปังอยู่นี่เมื่อมองดูตัวเองในกระจก มองเงาหน้ามองผมเผ่ามองดูสวดทรงอะไรต่ออะไรเนี่มันก็เกิดความหลงไหลสำคัญว่าตนนั่นสวยงามอะไรไปทำงงนี่นะคนหลงโลกหลงสงสารอันนี้นะเมื่อมองดูตนนะอย่างนี้มันก็ปึ้มใจขึ้นมาจิตใจก็ผูกพันอยู่กับรูปนี้แล้ว เป็นองั้นเมื่อจิตใจผูกพันอยู่กับรูปนี้มันก็ต้องได้สัมผัสกับเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเพราะว่ากายกับจิตกระทบกันวันนี้เมื่อร่างกายเป็นปกติก็เป็นสุขเวทนาไป ถ้าร่างกายในมันวิบัติแปลปรนลงความรู้สึกก็กลายเป็นทุกข์ไปทนได้ยากทนได้ยากเพราะอะไรเพราะเมื่อธาตุทั้งสี่มันไม่สามัคคีกันเช่นธาตุลมมันเดินไม่สะดวกมันไปขัดอยู่ตรงไหนความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นตรงนั้ น, นเป็นอย่างนี้นะ เมื่อธาตุลมวิ่งไม่สะดวกเลือดที่ไปเล่นวิ่งไปบำรุงร่างกายมันก็ไม่สะดวกมันก็ไปติดขัดอยู่ดังนั้นมันจึงเกิดเจ็บปวดขึ้นตรงที่มันเลือดวิ่งตามปกติไปไม่ได้นั่นเองนะเงั้น อา้าวถ้าธาตุไฟมันอ่อนลงคราวนี้ธาตน้ำมันมากมันก็หนาวมันทำให้เจ็บไข้เป็นไข้ลงไปอ่าเมัอนเรีงกันถ้าธาตุน้ำมันมากเกินไปเช่นนี้นะมันก็ทำให้คนท้องร่วงอ่านั่นแหละ ทำให้ทองร่วงธาตุลมมากเกินไปมันก็ทำให้เป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายไปเองคิดดูธาตุทั้งสี่นี่มันมันหาที่เที่ยงไม่ได้เลยทุกคนที่เกิดมาย่อมผ่านจากความไม่เที่ยงนี้มาทั้งนั้นเลยแต่เมื่อจิตมันหลงมันเมาแล้วมันหัก ไม่ได้เบื่อหน่ายเพราะควาไม่เที่ยงเหล่านี้มันก็ไม่ใช่แปรปวนอยู่นั้นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเวลามันสงบมันก็สงบลงเป็นปกติไปจิตใจของคนเราก็มาหลงอยู่กับธาตุสี่อันมันเวลามันปกตินั่นแหละนึกว่าตนไม่มีโครคภัยเบียดเบียน จนจะไม่แก่ง่ายไม่ตายง่ายอย่างนี้นะเพราะทุกขเวทนาก็ไม่ไม่มากเมื่อร่างกายนี่มันเป็นปกติแล้วมักจะได้สัมผัสแต่ทุขเวทนามากกว่าทุกขเวทนาตรงนี้นะจิตจิตมันหลงอะ่ะหลงในทุขเวทนาอย่าไปเข้าใจเป็นของดีนะ สุขเวทนาเนี่ถ้าจิตไม่รู้เท่าแล้วมันก็เอาละจิตก็หลงไหลติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนั่นที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นน่ะอืมแล้วก็ติดอยู่ในโลกสงสารอันนี้เหมือนกันอุเบกขาวเวทนาก็เหมือนกันถ้าบุคคลไม่พิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงแล้ว พอไปติดอยู่ในอุเบกขาเวทนานะั้นก็ไม่มีปัญญาอะไรคือจิตไปสวยอารมณ์แต่ความรู้สึกเฉยๆอยู่อย่างนี้นะ ม, มันก็เฉยอยู่ไม่ได้นานสักหน่อยเมื่อร่างกายนี่มันวิบัตรแปรปรวนไปอุเบกขาเวทนาก็หายไปทุกขเวทนาก็เกิดมาแทน ก็เป็นอยู่อย่างนี้นะเวทนาไม่ใช่มันยั่งยืนอะไรสุขเกิดขึ้นทุกขเวทนาก็ดับไปอุเบกขาเวทนาก็ดับจิตก็สเสวยความสุขเป็นอารมณ์อยูอยนั่นไปอา้าความสุขอันนั้นมันก็ไม่ยังยืนอีกเพราะความสุขอันนี้มันอาศัย วัตถุทั้งภายนอกภายในภายในอาศัยร่างกายอันนี้ภายนอ ก, กอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหมู่นี้นะเมื่อรูปเป็นต้นเหล่านี่แปรปรวนไปแล้วความสุขมันก็หายไปความทุกข์ก็ขึ้นมาแทนมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อความสุขความทุกข์ดับไป ความอุบเบกขาความวางเฉยความรู้สึกต่อร่างกายสังขารอันนี้ก็ดีรู้สึกต่ออารมณ์ภายนอกก็ดีก็เฉยๆไปอย่างนั้นแล้วจิต ก, ก็ไปยินดีพอใจกับความเฉยๆอันนั้นอีกแล้วไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าความเฉยๆอันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน มันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วชั่วระยะหนึ่งมันก็ดับไปถ้าได้ใช้ปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปอย่างนั้นนะ่ะจิตมันก็ไม่หลงพอใจอยู่ในความวางเฉยอันนั้นอา้าวถ้าอย่างนั้นจะอยู่กับอะไรลนะ่ะอยู่กับความรู้เท่า อ, อยู่กับความรู้เท่าความรู้ความเห็นว่า เวทนาทั้งหลายรูปกายทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดานี่ความรู้อันนี้นะมันไม่เกิดไม่ดับมันไม่มันไม่แปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นเมื่อฝึกฝนให้มันตั้งมั่นลงไปแล้วมันมันรู้แะรอย่างนี้นะมันก็รู้อยู่นั่นนะ อันส่วนกายทุกส่วนร่างกายทุกส่วนมันก็แปรกวนไปอยู่อย่างนั้นส่วนเวทังนะนาทั้งหลายมันก็เกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นส่วนเจตสิกธรรมอันเกิดจา ก, กจิตนั้นก็เหมือนกันความคิดต่างๆเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นส่วนจิตเดิมใจเดิมแท้มันก็มีแต่ธรรมชาติ รู้อยู่เท่านั้นเองนะแต่ความคิดมันก็เกิดจากความรู้อันนั้นเองแต่ความรู้อันนั้นมันก็ไม่ใช่ของใครอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่มีรูปร่างสันฐานสีสันวันลนะอะไรก็ไม่มีเป็นแต่าธาตุรู้เท่านั้นเองนะนั่นต้องพิจารณาอย่างให้มันเห็นอย่างนี้แล้ว มันจะไม่ยึดถืออะไรเลยอย่างนี้เมื่อเห็นเช่นนั้นนะมันเป็นแต่เพียงว่ารู้ตัวเองว่าแต่ก่อนนี่จิตนี่มันหลงมันไม่ได้รู้แจ้งในรูปในนามอย่างนี้มันถึงได้เกาะถึงได้คล้องอยู่มันจึงได้มาอาศัยรูปนามอันนี้อยู่อีกอบัดนี้รู้แล้ว ว่ามันไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเขาของเราอะไรจิตก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนี่ก็เหมือนกันไม่มีตัวตนอะไระเกิดแล้วดับไปอยู่นั้นนี่นะือิกเกติให้มันรู้เท่า รูปกายอันนี้ให้มันรู้เท่าจิตนี้ให้มันรู้เท่าเวทนาเวทนาแปลว่าจิตสวยอารมณ์ทันเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีมันก็มีความสุขถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ายินร้ายมันก็เป็นทุกข์โทมนัสไม่พอใจอย่างนี้นะคำว่าจิตสวยอารมณ์นั่นแะ คันว่าเรื่องต่างๆ่ังเหล่านั้นมันไม่ดีไม่ชั่วมันก็มีความรู้สึกเฉยเฉยนั่นเรียกว่าจิตเสวยอารมณ์เฉยเฉยไม่ดีไม่ชั่วมันเป็นอย่างนั้นคาว่าเวทนานี่นะแล้วเมื่อเรารู้เท่าว่าอารมณ์ที่จิตเสวยอยู่นี่ก็สักแต่ว่าธรรมารม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้แต่จะไม่ให้มันรับรู้อารมณ์เหล่านี้ไม่ได้จิตนี้ก็ดีอย่างนี้นะมันก็ต้องรับรู้แหละเมื่ออาศัยขันห่านี้อยู่ตราบใดแล้วมันต้องรับรู้อยู่นี้แต่ว่าเมื่อจิตกระดนแล้วมันรู้เท่ามันไม่สาคัญว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นต น, นอะไรมันรู้แจ้งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยอืมันก็ต้องหนูรู้อยู่อย่างนี้นะเมื่อพิจารณาบ่อยๆเจริญให้มากเข้าความรู้อันนี้มันก็ยิ่งขึ้นไปความรู้คือจิตนี่มันรู้สังขาร สภาพที่บังเกิดขึ้นตามเป็นจริงนี่น ะ, ะมันรู้ยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่มันก็คายความยึดถือไปเท่านั้นคายความรักคายความชังหมายคขาว่าอย่างนั้นแต่จะให้มันคายออกทีเดียวหมดไปได้ไปได้เลยอย่างนี้ไม่ได้เพราะอินทรียังไม่เต็มบริบูรณ์ยังไม่แก่กล้าเต็มบริบูรณ์ กำลังไม่พอที่จะละทีเดียวขาดไปเลยอย่างนี้ให้เข้าใจเหตุนั้นพระศาสดาจึงได้สอนให้ทำความเพียรให้มากๆพิจารณาให้มากจเจริญให้มากจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อความหลุดพ้นนั่นเองถ้าผู้ใด ไม่เจริญให้มากไม่ทาให้มากเช่นนี้แล้วก็มันก็หลุดไปไม่ได้หลุดพ้นไปไม่ได้เลยเราจะไปข่มใจละเอาเรือร่อๆโดยไม่มีอุบายอะไรเลยเงียบไม่มีอุบายเงียบคลายในใจเลยนี่ไม่ได้เลยไม่ได้ข่มใจเอา้าสะกดจิตนี้มันสงบลงมันก็สงบย้อยเฉยอย่างนั้นแตมันไม่ละ เรื่องมันนะอันจิตนี่มันจะละมันจะปรงจะวางรูปนามหรือรูปกายอันนี้ก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมารมก็ดีมันจะปล่อยจะวางลงได้ก็เพราะฝึกจิตนี่ให้มันคิดให้มันรู้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะ เราเอาใจใส่อยู่เสมอนะเยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำธุรกิจการงานอะไรอยู่ก็ไม่ลืมตัวไม่ลืมความรู้ความเห็นอันตามเป็นจริงที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่นะไม่ลืมไม่หลงกำหนดรู้กำหนดเห็น อยู่ในใจอย่างนั้นเสมอไปเมื่อรู้มันเห็นอยู่นั้นมันก็ไม่ยึดถือและในการในไหนในเวลาใดๆก็ดีมันก็สักแต่ว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าทั้งนั้นแหละมันมันเห็นแจ้งอยู่ประจักษ์อยู่ในใจความรู้อันนั้นมันยิ่งหมายความว่างั้นเนี่มเมื่อความรู้มันยิ่งแลวเห็นอะไรก็เห็นจริงไปหมดเห็นตามเป็นจริง อืมเห็นตามเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วแตกดับไปไม่ควรยึดไม่ควรถือเลยถ้าไปยึดถือของไม่เที่ยงนะก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีความสุขเลยปัญญานะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นจิตใจเมื่อมันฉลาดพอตัวแล้วมันก็ไม่ยึดถือสิ่งใดแล้ววะนี่ มันก็ตามรู้ตามเห็นพอทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างมีอย่างนี้นะ ม, มีอย่างนี้แตจิตที่ไม่รู้แจ้งไม่ฉลาดพอมันก็ไม่ยอมรับไม่ไม่ยอมรับกับความจริงอันนี้มันยังดื้อรั้นว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจอยู่อย่างนี้นะ จิตนี่มันดื้อรั้นก็เพราะเหตุว่าตนของตนเองเนี่ยฝึกตนไม่เพียงพอขาดความเพียรความพยายามขาดความอดความทนอดกั้นต่ออำนาจของกิเลสที่มันเกิดขึ้นอพอเมื่อกิเลสที่มันมีกำลังกล้าตนยังละมันไม่ได้ปัญญายังอ่อนอยู่ไงนนะ มันก็ต้องอาศัยความอดทนแหละเข้าช่วยเช่นความรักมันเกิดขึ้นอย่างนี้เอาเราไม่รักใครจะมาว่าไงอ่ะความรักในมันมีโทษอย่างรง้ายแรงมันทาให้คนสร้างบ้านสร้างเรือนทําให้คนโรคโมโทสันเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะความรักตัวเดียวนี่แหละก็ ใช่อุบายแยบคายสอนจิตใจเข้าไปอย่างนี้นะอ่า ม, มันจึงแกะโปรงมันจึงจะวางได้เมื่อจิตมันเห็นตามปัญญาโอเป็นความจริงเรื่องนี้นะเหตุที่ยึดที่ถือสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไว่ก็เพราะมันไม่รู้ ม, มันไม่รู้ด้วยปัญญา มันรู้ด้วยแต่สัญญาแต่วิญญาณเฉยๆเมื่อมันไม่รู้ด้วยปัญญามันก็โปรงไม่ตความไม่ลงอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนะั้นอย่าไปททอถอยเมื่อจิตทางยังมันไหวอยู่กับกิเลสต่างๆความรักความชังอย่างว่านั้นก็เออก็ให้รู้ตัวว่าตนยังละมันไม่ได้ มันก็ย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้นหละเป็นธรรมดาแต่ว่าเราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นครอบงมจิตใจอยู่ฝ่ายเดียวเมื่อมันเกิดขึ้นมาโดยที่เรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเมื่อเรารู้ตัวแล้วอย่างนี้เราก็จะละมันรลอยวางมันสอนจิ ต, จตใจในี้ให้วางมันแตอย่างนี้นะตั้งใจอยู่ อธิษฐานในใจว่าอย่างนี้นะ่ะอืนั่นแหละเมื่อเราตั้งใจอยู่นี่หากว่าไปไปไปแล้วมันเผลอตัวสรา ก, กิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมารู้ตัวแล้วกำหนดละมันเลยไม่ไม่วิตกวิจาร์ไม่สั่งสมกิเลสนี่ให้หนาแน่นขึ้นไปเพราะว่า ตนเห็นโทษของกิเลสแล้วเบือ่อเห็นโทษของกิเลสกิเลสนี่มันนําจิตดวงนี้ให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่มามากต่อมากแล้วมันก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้เลยเมื่อตาสม ก, กิเลสหนาเท่าไรความทุกข์ก็มากขึ้นเท่านั้นอย่างนี้นะต้องพิจารณาดูให้ดี อาศัยความเพียรเพ่งพินิษ์โอโอปานายโกโนมสติ้นมปัญญาเข้ามาสู่จิตใจนี่พยายามสอนใจนียให้พิจารณาโดยอุบายแยบคายอยู่เสมอเสมอการพิจารณาอะไรก็ต้องวินาให้ถึงความจริงถ้าพิจารณาไม่ถึงความจริงมันก็ไม่ยอมปล่อยยอมวางจิตนี่นะะ มันเป็นอย่างนั้นมันก็มันก็ยึดถือแหละมันก็ค้างอยู่ในอารมณ์นั้นในเรื่องนั้นนะอืเป็นปอย่างนั้นถ้ามันรู้จริงเข้าไปจริงๆแล้วโอ้ทุกสิ่งนี้ไม่ควรยึดถืออย่างนี้นะเมื่อสรุปลงแล้วนะเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็สรุปลงว่าไม่ควรยึดถือ ปัญญาสอนจิตก็ไปอย่างนี้จิตก็เห็นแจ้งตามปัญญามันก็โปรยก็วางลงได้จิตก็เป็นปกติรู้ปกติเห็นความเกิดความดับของสังขารทั้งหลายอยู่อย่างนั้นแหละอืเนี่ยการปฏิบตัติทางจิตใจนะขอให้พากันเข้าใจเมื่อ บำเพ็ญความรู้ความเห็นอันนี้ให้เกิดขึ้นแล้วไม่รักษาไม่กระทําอุบายแยบคายในใจบ่อยๆเช่นนี้แล้วแน่นอน่มันก็เสื่อมความรู้ความเห็นอันนี้นะอไม่ใช่ว่ามันยั่งยืนอยู่ได้นะเนื่องจากว่ายังไม่ได้บรรลุเป็นได้เพียงความเห็นหมายความอย่างนั้น กำลังดำเนินเดินทางอยูอ่การที่เราพิจารณาโดยอโรมณ์ปฏิโลมเห็นแจ้งแล้วปล่อยวางแ้วจิตสงบอยูอ่อันนี้ถ้าจะอุกมาแล้วก็ได้เหมือนคนเดินทางการพิจารณาก็เหมือนคนเดินทางนั่นเองแหละ ธรรมดาคนเดินทางเดินไปนา น, านเข า, าก็เหนื่อยคนเหนื่อยแล้วก็หยุดพักนั่งบ้างนอนบ้างอืมีแรงแล้วก็เดินต่ออันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละการที่จิตพิจารณาโดยอุบายเย็บคลา ต, ต่างๆดังแสดงมานี้นะชื่อว่าจิตกําลังเดินทางเดินทางไปสู่ความไม่มีทุกข์อืม นี่แหละความดำรีว่าทำอย่างไรจึงจะไม่มีทุกข์นี่นะแล้วก็มารู้แจ้งว่าก็เพราะจิตใจมันยึดถือเนี่ยมันจึงมีทุกข์ถ้ามันไม่ยึดถือซะแล้วทุกทางใจมันก็ไม่มีและเมื่อมันละความยึดถือนี้ได้เด็ดขาดในชาตินี้แล้วมันก็ไม่มีชาติอีกต่อไป คือมันก็ไม่ได้ไปเกิดเป็นรูปเป็นนามนี้อีกต่อไปท่านก็เรียกว่านิพานนี่แหละเมื่อเมื่อเรามีอุบายเงีย บ, บคลายพิจนาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พอใจที่จะทำความเพียรเพ่งพินิษปล่อยวางรูปกายอันนี้ปล่อยวางเวทนาไม่ถือว่าเป็นของเรา แม้จะเกิดทุกเวทนาขึ้นอย่างแรงไหนก็ตามภายในจิตใจมันก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราอยู่นั้นแหละไม่ใช่ตัวตนของเราจิตมันจึงไม่เดือดร้อนมันจึงไม่วุ่นวายไปตามร่างกายที่มันป่วนปั่นอยู่นั่นน่ะนี่แหละจึงว่าการทําความเพียร น, นี่แหละจะทําให้จิตนั่นก้าว เดินออกจากพกไปเรื่อยๆไปอืมทีละน้อยละน้อยไปเพราะว่าเมื่ออินทรียบา ร, รมียังไม่แก่กล้าเต็มที่เราจะไปกระโดดทีเดียวให้พ้นไปได้เลยอย่างนี้มันไม่ได้จะต้องพยายามไปเรื่อยๆเมื่อพยายามอยู่อย่างนี้นะจิตใจก็เป็นส่วนมากก็เป็นปกติแหละ ไม่ได้ยัียงไปข้างรักข้างชังถ้าเป็นนักบวชก็มั่นคงอยู่ในพรหมจรรย์เลยแบบนี้นะกีเรกไม่กวนใจให้วุ่นวายเดือดร้อนอถึงแม้มันจะกวนกัในแบบกวนอ่อนๆมันก็ไม่มีกำลังมากเพราะเราจเจริญสมาธิจำเริญปัญญาขจัดมันอยู่อย่างนั้นเสมอๆแล้วนะ มันก็มีกำลังแก่กล้าไม่ได้เลยด้วยอำนาจแห่งปัญญามันก็ตัดทอนกิเลสนั่นลงไปเรื่อยๆไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นก็ขอให้พากันเข้าใจเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรพระศาสดาก็ยังตัดพาสีไ้แล้ว วิริย์เยนัททุกขามัจเจติอืมคุณจะพ้นจากทุกได้ก็เพราะมีความเพียรอันนี้นะว่าเป็นคําสอนที่มีความหมายลึกซึ้งมากนะอย่าไปนั่นอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องผิวเผินนะให้พิจารณากันให้มันลึกลงไปเมื่อพิจารณามันลึกซึ้งลงไปอย่างนั้นแล้วคุณนั้นก็ไม่ถอยความเพียรนนะ่ะ ทำความเพียนอยทุ ก, ทกอธิยบุตรเลยตามที่พระองค์เจ้าสอนคําว่าเพียรในที่นี้หมายความว่ายืนอยู่กับเพียรเพ่งพินิษเดินไปกัเพียรเพ่งพินิษฐ์นั่งโยกัเพียรเพ่งพินิษให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นนั้นอยู่อย่างนี้นะนอนลงไปก็พิจารณาเพ่งพินิษให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นนั้นไป จึงเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรเพ่งอยู่มเมื่อใดทาทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามทั้งหลายย่อมรู้ว่าทาทั้งหลายเกิดแต่เหตุ อ, อย่างนี้ทาทั้งหลายเหล่านั้นจะดับไปก็เพราะดับเหตุแห่งทำนั้นเป็น อ, อย่างนั้น เมื่อทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียนเพ่งอยู่ความสงสัยของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมาเห็นแจ้งว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งนั้นเลยมีมองเห็นด้วยปัญญาว่ามีแต่ความเสื่อมไปสิ้นใจไปแห่งเหตุปัจจัยทั้งหมดอ้าว ถ้าพูดถึงปัญหาความอยากของจิตอย่างนี้น ะ, ะเมื่อมันอยากมันคิดอยากขึ้นมาแล้วความคิดแล้วนั้นมันก็ดับไปแล้วมันก็อยากขึ้นมาใหม่อีกแล้วความอยากของคิดอันนั้นมันก็ดับไปเมื่อบุคคลไม่ทำจิตให้สงบไม่กดจิตไว้ไม่ยับยั้งจิตไม่ยับยับย้งความคิดไว้ ไอความอยากมันก็หลังออกมาจากจิตนั้นเลยไปอย่างนี้น ะ, ะเหมือนอย่างสายพานลำธาร น, น้ําเมื่อมันต้นน้ํามันมีน้ําอยู่มันก็ไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้พอต้นน้ํามันแห้งลงไปแล้วลําธารมันก็แห้งไปตามกันอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อจิตไม่อยากยุติความอยากลงความอยากลงไปเสียอย่างนี้ ไออารมณ์ที่มันจะไหลออกไปจา ก, กจิตใจเนี่ยมันไม่มีแล้ววันนี้นะอารมณ์ไม่างความอยากนะมันก็มันก็หลักรังงับไปเลยมันก็เป็นอย่างนั้นเรียวว่าต้นต่อแหง่งอารมณ์เหล่านั้นมันอยู่ที่จิตอยากระ ง, งับจิตไว้ให้มันอยากเสียแล้วอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่หลั่งไหลออกไปจา ก, กจิตใจเลยมันก็ดับไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้พึ่งพากามีอุบายแยกภายสอนใจอย่างนี้แหละเมื่อเมื่อปัญญามันสอนใจอย่างนี้ใจเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็นละตัณหาอันเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์นั่นไปเรื่อยๆแหละทำตัณหาให้เบาบางออกไปจากกิจนี้เลยเอา้าจะอยากไปทำไมรูปกายต่างๆ เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปนายจะไปอยากมันทําไมอยากของไม่เที่ยงอยากก็อยากเพราะพอไม่ได้อะไรหรอกไม่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะจิตมันจึงจะเชื่อมันจึงจะปล่อยวางลงได้ออื ถ้าไม่สอนอย่างว่านี่นะมันไม่วางมันไม่ยอมปล่อยยอมวางเรื่องมันน่ะมันบกพร่องอยู่ตรงนี้แหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะ่ะที่ว่าไปไม่รอดนะั่นน่ะที่มันเติมมันถอยหลังนะั่นอ่ะอ่ามันสรุปแล้วเรียกว่ามันบกพร่องทางความเพียร น, นี่เองเนะี่ยอือดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจ เ, เมื่อมันขาดความเพียรมันก็ขาดสติมันทำเรานี้มันเนื่องกันนี่เมื่อมันมีสติะระลึกได้อยู่มันก็มีความเพียรอยู่อย่างนี้น ะ, ะเมื่อเมื่อมีสติะระลึกได้อยู่มันก็ห้ามจิตให้ตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ส่งออกไปข้างนอก เมื่อจิตตั้งอยู่ภายในเนี่ยมันก็พิจารณาอะไรก็ได้วันนี้นะอมันเป็นงานเดิมมานลนะเพราะว่าเมื่อจิตนี่มันรู้แจ้งในนามในรูปอันนี้แล้วมันก็รู้แจ้งภายนอกเหมือนกันเพราะมันมีสภาวะเหมือนกันนะ่ะไม่แตกต่างกันเลยภายในร่างกายนี่ก็ประกอบไปด้วยธาตุทีดินน้ำไฟลมเหมือนกัน รูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัส ต, ต, ต่างๆภายนอกก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันอือย่างนี้นะแล้วมันจะแตกต่างอะไรเมื่อมันเห็นแจ้งภายในนี่ทำเป็นจริงแล้วมันก็เห็นแจ้งภายนอกทำเป็นจริงเมื่อมันเบื่อไนรูปน้ำอันเป็นส่วนภายในนี่แล้วมันก็เบื่อหน่ายในรูปน้ำอันเป็นส่วนภายนอกเช่นเดียวกันอย่างนั้น เมื่อมันปล่อยมันวางรูปนามอันเป็นภายในนี่ได้แล้วมันก็ปล่อยวางรูปนามอันเป็นส่วนภายนอกได้ดังนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้มีความเพียรเพ่งเข้ามาภายในนี้ให้มากๆมาดูกายดูอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆอันส่วนที่เป็นรูปเห็นแจ้งในรูปตามเป็นจริงแล้วก็ เพ่งดูนามมาทำอันเป็นแต่เพียงความรู้สึกความจำความหมายเฉยไม่มีรูปร่างอสีสันผัสวัณณะอะไรเลยแอ้อย่างนี้ก็ต้องมาเพ่งดูให้ละเอียดถี่ถ้วนจึงจะรู้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีรูปร่างอ่ะน่นั่นแหละมันต้องรู้ทั้งสองอย่าง รู้แจ้งในรูปแล้วก็รู้แจ้งในนามมาทาเข้าไปอีกเช่นนั้นมันจึงรอบคอบนี่จิตมันจึงไม่สงสัยลังเลมันจึงไม่ติดไม่คล้องจิตนี่มันก็มารลงอาการของตัวเองนี่แหละอาการของจิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมันเกิดเพื่อนจาก กายกับจิตกระทบกันนี่นะนี่นะมันหลงอาการของตัวเองนี่นะส่วนมากไปอย่างนั้นนหละเมื่อมันเกิดโสมนัสสะเวทนาขึ้นมาอย่างนี้เกิดความยินดีอย่างแรงกล้ า, านี่จิตใจก็หลงไปตามความยินดีอันแรงกล้านั้นอย่างนี้นะมันจะได้เกิดเป็นตัญหาร้อแปดขึ้นมานั่นแหละถ้าหากว่า ไม่หลงอาการของตัวเองอย่างนี้ก็ใช้ปัญญาสอนจิตอย่าให้มันไปยินดีพอใจกับอะไรจนเกินขอบเขตเพิ่มเมื่อมันไปยินดีอะไรพอใจเลยเกินขอบเขตแล้วมันก็กลายเป็นตันหาไปกลายเป็นอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นไปอย่างนี้นะ ดนัจึงต้องมีสติยับยัง้งจิตไว้แม้ว่ามีอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจอะไรมาถึงเท่าอย่างนี้ก็ยับตั้งจิตเลยอย่าให้มันไปยินดีพอใจอย่างรุนแรงเกิดขึ้นนั่นแหละการทําความเพียร น, นี่นะเพียรห้ามจิตไม่ให้ความยินดีเย็นร้ายเกิดขึ้น ให้ปิดปันไหวไปด้วยอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆนี่อันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าเมื่อบุคคลยังละ ก, กิเลสไม่ได้ก็หมายความว่าละความยินดียินร้ายไม่ได้นั่นเองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นถ้ามันละความยินดียินร้ายได้แล้วจิตนี้มันก็เป็นอุเบกขาพร้อมด้วยงานความรู้ยิ่ง ไม่ใช่อุเบกขาเฉยๆไปอย่างนั้นมันมีความรู้ยิ่งอยู่ในตัวเมื่อรูปเสียงติ่นลดทั้งหลายกระทบกระทั่งก้ามานี่ญาณความรู้นี่มันก็เห็นเป็นแต่สักว่าเท่านั้นเองเป็นแต่สักว่าสภาวะธาตุที่เกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลย บรรดารูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสทั้งหลายหรือบรรดารูปกายอันเป็นส่วนภายในที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่นะมันก็เหมือนกันนะมไม่มีอะไรแตกต่างมีเกิดแล้วแปรโพนแตกนับไปพยายามพิจารณาอย่างนี้นะกำหนดรู้อยู่เนี่ยไป เพียนรู้เพีเยรเห็นเพียนรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันส่งเสมอไปนี่แหละมันจะทําให้กิเลสเบาบางออกไปจากจิตใจนะอ่ามันจะทําให้จิตใจลายความยึดความถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงต่างๆในโลกอันนี้ให้น้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆ คือเวาลาให้มันน้อยไปให้มันยึดถือไว้แต่ น, น้อยถ้ามันยังละไม่หมดก็ดีความยึดถือนะนะ่ะอย่าให้มันมากไปเรื่อยๆพยายามตัดทอนให้มันน้อยลงความยึดถือนะ่ะความยินดีความยินร้ายต่างๆให้มันน้อยลงไปโดยลําดับด้วยอํานาจแห่งปัญญาสอนจิตนี้ไปโดยอุบายแงบคาย ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหล ะ, ะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายสอนจิตใจอย่างนี้นะก็พึ่งพากันจาเอาอุบายเหล่านี้แล้วไปสอนจิตของตนนั่งภาวนาสอนจิตไปเรื่อยๆ อ, อย่าอย่าเพียงจะนั่งสงบจิตอยู่เฉยๆโดยไม่มีอุบายแยบภาย สอนจิตแต่อย่างใดหามันย่อมไม่ก้าวหน้าไปได้เลยเป็นอย่างนั้นนะมเมื่อทำจิตให้สงบแล้วมันต้องหาอุบายสอนจิตนี้ไปเรื่อยๆเมื่อรวมความลงแล้วนะจิตเห็นแจ้งตามปัญญาแนละ้วมันคลายความยึดความถือไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นทางตูดพ้นจากทุกภัยในมรตคสงสาร ดังแสดงมา